และน้าซิวะรัมมะตัมินนาว่ากันอัมรอมมาพบริย فحملتُه فانتبذت به مكان قصيَّة، فأجاء أهل م َ خ ا ض إلى جزع نخلة، فأجاء أهل م خ ا ض إلى جزع نخلة. قالت يا ليتني م ت قبل هذا وكنت نسيم نسيئة فناداه من ته <ص في ق> <ت ص في ق> إلا تحزني قد ج ع لربك تحت ك س ر ي ا وهز إليك بجزع النخلة ทดสอบขึ้นอาเลย์คิรุปปันดา ن ิยาทดสอบขึ้นอาเลย์คิรุปปันดานิยาอัลกุสซาร์อัลลอฮฺบุรุตบันดานิยาทูสะ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما ي ه د ِ الله فلا مضل له و م ْ يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا و ว้ إليه النشور اللهم بيك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامة ا من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء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 พี่น้องที่ร่วมนมาดซุปทุกท่านกับฮามดุลิลละเราขอบคุณอัลล์ด้วย่าว่าอัลลอฮุมมบิกะอัลลอฮุมมบิกะอาราอิลบะาอัลลอฮุมกะอับัพนาวบิกะอัมนาวบิกะนัพยาวบิกะนามูตุ ไหว้ล้กันหนูสุดขอบคุณอัลลอฮ์เช้าๆเนี่ยพอเราตื่นมานามารแล้วอ่านดูอาแล้วขอบคุณอัลลอฮ์แล้วแล้วก็นึกถึงอัลลอ์นะขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานที่มัสยิดนซึ่งเป็นบ้านของอัลลอฮ์นี่ถ้าจำนะจำหมดเนี่ย รอว่าอุลามาเลยล่ะจะไม่จำก็ได้ก็ให้นึกก็แล้วการอ่อนี่เคยผ่านผ่านเคยผ่านหูผ่านหูนะขอบคุณอัลลอ์วันนี้เรามาถึงสูร่าที่สิบเก้าก็สิบเก้าปีแล้วคร <c oughs> ับสุร่ามาริยมก่อนที่จะอ่านสูร่า สิบเก้าอายาที่ยี่สิบเอ็ดนี่ยอยากจะให้ความรู้นิดนึงนะเป็นความรู้ <c oughs> ท่านนาบีสอนอย่างงี้นะครับเป็นฮะทิสของอิหม่ามติลมีดีและท่านอิหม่ามฮากิมบันทึกโดยอิหม่ามติลมีดีและท่านบันทึก อ, อิหม่ามฮากิมว่าท่านนาบีสอนบอกว่าอิยารอไอตุมุรออยูละแตหาท่านทั้งหลายเห็นชายคนหนึ่งยากจะดุลมัสยิดะ ญาติอาจหมายถึงมามัสยิดอยู่สม่ําเสมอเห็นหน้าที่มัสยิดอยู่สม่ําเสมอหรือว่ามามัสยิดสม่ําเสมอฟาชฮาดูจงยืนยันนะจงยืนยันละหูคนคนนี้คนที่มานี่แหละบิลีมานแปลว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่มี إ ي م าน ฉะนั้นอิมานเนี่ยคนจะได้อิมานแสวงหาอิมานเนี่ยต้องเหนื่อยฉะนั้นเหมือนหาเงินนั่นแหละหาเงินก็ต้องเหนื่อยหาอิมานก็ต้องเหนื่อยนะฉะนั้นการมามัสยิดเป็นสั ญ, ญลักษณ์บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่นี้อิมานก็มาตอนไหนแนตะ่มัสยิดนะ่ะก็มาตอนลมาณั่นแหละ ว, วันนึงก็ห้าเวลานะ เรื่องที่สองอยากจะฝากก็คือว่าในนมาตของเราเนี่ยนะพี่น้องอย่าลืมนะนามาตของเราเนี่ยต้องตามนาบีเท่านั้นแหละนบีสอนบอกว่าซ่อนรูกามารอไอตูมูนี้อุซอลลีท่านทั้งหลายจงนมาตเหมือนกับที่ท่านเนี่ยรู้หรือเห็นหรือเรียน วิธีนมานของท่านนบีนบีนมานยังไงพยายามนมานตามนบีให้เหมือนนบีให้มากที่สุดเพราะว่านมาของท่านนบีรูปร่างลักษณะของท่านนบีเนี่ยทางรูกล้อทางสุยูตยียติดารเนี่ยอลัออลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ให้ยิบรีนมาสอนนะนมานท่านมานไม่ใช่นบีคิดเองนะครับอัลลอฮ์ส่งท่านยิบรีนเนี่ยมาสอนวิธีท่าของการนมานทั้งหมด จะพูดเรื่องเดียวนะเรื่องการกล่าวตักบิดว่าอัลลอฮฺอักบัดแลว้วก็ยกมือพอกล่าวว่างนะอัลลอฮฺอัลกบัดพร้อมกับยกมือเนี่ยในนมาดเนี่ยอย่างนามาดสี่ ร, รอกาอัดหรือสามรอกาอัดเนี่ยออ ย, ยกมือกี่ครั้งมีอยู่กี่ที่อัลลอฮฺอักบบัดพร้อมกับยกมือเนี่ยมีอยู่กี่ที่นี่นบีสอนเอง บันทึกโดยท่านอิมามบุครีนะและอิมามุสลิมด้วยนะครับเขาบอกว่าวิธียกมือเนี่ยการนายะฟอุยะไดฮีฮัสวามั่งกบฮเวลายกมือนะให้ยกถึงหัวไหลมันมีอยู่สองสองที่หนึ่งหให้หัวแม่มือเนี่ยถึงหัวไหลหรือไม่ก็ให้ปลายนิ้วมือนี่ถึงหัวไหลขึ้นมาหน่อยก็ได้ หัวไม่มือถึงหัวไหลก็ดีติ่นหูพอดีมือเนี่ยติ่งหูนะดีเรื่องมีเรื่องเรื่องที่หนึ่งทีนี้ท่านนาบีเนี่ยยกมือเนี่ยพร้อมกับกล่าวตะเบสนะ่ะมีอยู่กี่ครั้งกี่ที่มีอยู่สีที่ดูกันอิดาดะขะละฟิศวะละกับบารอวารอฟะอายาไดฮีเมื่อท่านนาบีเข้าเสือนมาดหรือเข้าซอฟนามาดท่านนาบีจะกล่าว เขาเรียกว่าตักบียอูลาครั้งแรกนี่นะอัลลอฮฺอักบัรพร้อมกับยกมือนี่ที่ที่หนึ่งแต่ท่นคนที่ไม่ยกมือน่ะไม่เหมือนนบีทาไม่เหมือนนบีตักบียดครั้งแรกนี่นะอัลลอฮฺอักบัรกล่าวด้วยนะเราก็ยกมือด้วยนี่เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนีอยู่สีที่โดยการที่ที่สองว า, อ า, อ า, อ า, อายาร์ระการะฟาหยาดัย ตอนรูกวะเนี่าตอนรกวะะกาวว่าไงนะอัลลอฮฺอัลกบพร้อมกันยกมือนะครับอัลลอฮฺอัลกบตอนจะรูกวะใช่ไหมทีหนึ่งตอนยกมือครั้งแรกอิสติตะยกมือแล้วก็กล่าวอัลลอฮฺอักบอันที่สองตอนรูกวะให้กล่าวว่าไงนะอัลลอฮฺอักุบัด ที่ที่สามตอนเงยจากกวัวตอนกล่าวว่าซามีอัลลอฮูลีมันฮามีดะให้ยกมืออให้ยกมือนี่ยที่ที่สามตรองยกมือท่านคนที่ไปอยู่อินเดียเนี่ยคนที่ไปอยู่อินเดียอินเดียเนี่ยฮานาฟีเขาไม่ยกมือแต่ไหมทัศนะนะนะเป็นความรู้เป็นเรอะยื่ออย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฮัดดิษนบีฮัดดิษนบีเนี่ยต้องยกมือ คือ น, นามาตเหมือนนบีนะครับได้ไยกมือสามที่เลยนะหนึ่งตอนเข้าเสือนามาต์กาวล้อวังบ้านก็ยกมือที่ที่สองตอนจะรูกล้วยที่ที่สามเงยจากรูกล้วยตอนว่ามอัลลอฮฺบุรมันฮามิดะรับบานะละกันห้มดูรบบานะว่าละกันห้มถูอว่าได้ทั้งสองนะครับแล้วก็พร้อมก็ยกมือมีสามที่นะที่ที่สี่ตอนไหนเมื่อเสร็จสองละก็อัดแล้ว จะลุกขึ้นมาทำรกราชที่สามเนี่ยพร้อมกับกล่าวว่านั้อัลลอฮอักบัดก็ต้องยกมือในยุสีที่อาจจะด้านคนที่บางทีบางคนไม่รู้ ย, ย ก, ย ก, ยกหรือไม่ยกดีใช่ไหมฉะนั้นนี่ฮะดิกร อ, อิมา ม, ามุคอรีนะเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราปฏิบัติตามสุ น, นัานบีให้เหมือนกับท่านนบีได้สอน บรรดาสาวบ้านนบี น, า น, าบนามาดแบบนี้หมดตาเบอิตาเบียงินามาดแบบนี้หมดอิหม่ามชาฟีอินก็เหมือนกันยึดฮะดิษของท่านนาบีนะครับขอสรุปนะยกมือพร้อมกับตักบิรมีอยู่กี่ที่นะสที่ที่ที่หนึ่งตอนเข้าเสื่อนามาดที่ที่สองตอนรูกัวให้ยกมือแล้วก็กาวอัลลอฮฺอักบัด์อันที่สมเนี่ยให้กล่าวซามีอัลลอฮฺฮุลีมันฮามิดะพร้อมกับยกมือที่ที่สี่ เสร็จนั no ่งอัตไหยาสองรักษาดแล้วจะลุกขึ้นมาํารักษาดที่สามเนี่ยพอยืนเอาล้อกับบัตรพร้อมกับยกมือนะครับก็ขอฝากไว้นี่เป็นท้าด้วของอหมามบุคอรีบันทึกโดยอิหมาบุคอรีเอามาเข้าเรื่องอายาที่2ี่อ็ดกอลากาลิกกอลารับบุคีฮวและยียายยิน و ل ل َ ل ن َ ج ع ل ه آية للناس ورحمة منا وكان أ م ر ا, ا م, ر ا م ق ض ي ّ الحمد لله นะอาลัยทางอิมานเพิ่มกอละกาลิกิคนที่กล่าวนี่นะม a um. l กะ k a ลงมากล่าว ก็กาดาลิกี้คำนี้เนะี่ยหมายถึงมลาอิก้ากล่าวมาลายิก้าเนี่ยลงมาจากไหนยิบรีนเนี่ยลงมาจากชั้นฟ้าเนี่ยมาหานางมารยยมมาเก่าวว่าไงก็ล้วรอบบุกีกาดาลิกแปลว่าการนั่นก็เถอะคือต้องการจะอธิบายว่าผู้หญิงมาจะแต่งงานแล้วมีลูกได้ยังไง ต่อการจะบอกว่าก่อนนั้นก็เธอถึงไม่ได้แต่งงานก็มีลูกได้ถึงไม่ได้แต่งงานก็มีลูกได้กอลลัรอบบุกิ้มารายกา์ลงมามาพูดสองเรื่องนะไม่มีไม่ได้แต่งงานก็มีลูกได้เพราะอะไรกอลลัรอบบุกิพระผู้อภิบาลของเธอน่ที่อยู่บนชั้นฟ้านเนี่ยกล่าวว่าผัวอะไยให้ยิน การมีบุตรเนี่ยนะพระผู้อริบาลของเธอตัดว่ามันง่ายสําหรับฉันยิบรีนเนี่ยนำเอาคําพูดของอัลลอฮ์มาเล่าให้นางฟังเพื่อเพื่อให้นางยอมรับที่ว่าท้องนี่นะไม่ใช่ฉันนะใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งฉันมามาบอกเธอนี่แหละ ว, ว่าหัวอะลรอย่าให้ยินการมีบุตรโดยไม่ต้องผ่านสามีเนี่ย มันมันง่ายมากเลยเรื่องเล็กๆพอเราสั่งว่างไงนะกุญยากุญย์พอสั่งเป๊บมันก็เป็นเลยใช่ไหมนี่ท่านจีบี ล, ลงมาเล่าให้นางมาดยามฟังพอเล่าเสร็จบอกว่างานนี้เป็นงานของนะอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สั่งมานะวาลินัจยาอัลลูนะครับเพื่อเราจะได้ทำให้ นบีอีสซาที่อยู่ในท้องของนางเนี่ยนะอาญาจันเป็นสัญญาหนึ่งอัลลอฮฺนี่น่ะทำให้นบีอีซาที่อยู่ในท้องของนางมาริยมไม่มีพ่อเนี่ยต้องการจะให้เป็นสัญญาหนึ่งให้ใครอะลินนสัสกับใครกับประชาชนให้มนุษย์ในโลกนี้ได้รับรู้ว่านี่เป็นสัญญาหนึ่งของอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และุทธาเล และต่อมาอคําว่าคำ ว, ว่าอายาตันลินนัสเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยอธิบายอย่างนี้คือเคยเคยอธิบายมาแล้วนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาในกี่แบบนะสี่แบบแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่ทุกคนยอมรับได้หมดเลยไม่มีใครโวยเรื่องที่สองเขาว่าภรรยา ตอาดามเราเนี่ยก็มาจากนบีอาดามอัลลอฮ์มาจากซิคโคมอันที่สามนี่เด็นบีอิสาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อตรงนี้มีปัญหาเพราะว่ามีพี่น้องเรานะ่ยชาวนอซอรอเนี่ยเข้าใจว่านบีอีซานั้นเป็นลูกอัลลอฮ์นี่ไงวาลินาจัลลาฮูอายาตัลลินาเราต้องการที่จะทาให้นบีอีสานั้นเป็นสัญญาณหนึ่ง สำหรับมนุษย์ชาติจะใช้ปัญญาเนี่ย้นนบีอีซาเนี่ยเป็นอะไรนะผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อตรงนี้แหละตกลงจะอธิบายให้ฟังแล้วข้อที่4มนุษย์เนี่ยอลัลลอฮ์สร้างมาจากน้ําอสูจิอย่างพวกเราที่นั่งอยู่มัสยิดเนี่ยใช่ไหมอย่างที่นอนทุบฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยมานจะาน่ามัสุจิของพ่อกับแม่ของย่อเรากับแม่เร า, าอยู่ในมดลูกเนี่ยกี่วันกี่วันก็กกกกอธิบายไว้แล้ว ทั้งหมดเหล่านี้นเป็นสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบาฮานาฮูวะตาล่ะอาต่อมาอีกวารอฮ์มาตัมมินน่แล้วก็นบีอีซานี่อีกเหมือนกันเป็นอะไรนะอัลลอฮ์ให้นบีอีซามาจากท้องของนางมารยมเนี่ยเป็นความเมตตาจากเราอัลลอฮ์ให้นบีอีซามานะ่ะเพื่อเป็นความเมตตาอธิบายยังไงติฟริด อิบนุกะซอธิบายบอกว่าฮาดะลกุลามราะห์มะตุมมินอัลลอฮเด็กคนนี้ที่อัลลอฮให้มาผ่านมารยามไม่มีพ่อเนี่ยต้องการจะนำแต่ของดีๆนะครับจากอัลลอฮมาอัลลอฮมาอัลลส่งมาเนี่ยเป็นราะห์มะทั้งหมดนะอะไรที่มาจากอัลลอฮนั้นเป็นราะห์มะทั้งหมดนะครับสุลต่นนานะบีอิสานี่เป็นราะห์มะของอัลลอฮฺ س ب ح ا เพื่อาเมตตา เรื่องที่สองวานาบียา ม, มินัลอัมเบียนบีอีสาเป็นนบีท่านหนึ่งจากบรรดานาบีทั้งหลายที่มีชื่อนการพิ์กุรอานยี่สิบห้าท่านที่ไม่มีชื่ออีกเท่าไหร่เป็นแสนนะอย่าลืมนะที่ไม่มีชื่อเป็นแสนที่มีชื่อแค่25้าท่านฉะนั้นนบีอีสาเป็นนบีคนหนึ่งเหมือนกับนบีทั้งหลายในโลกข้อที่สแต่งตั้งนัน อิซาเนี่ยให้เป็นนบีมาทําอะไรย่าะเอาอิละอิบะจะติละเรียกร้องคนเชิญชวนคนมาทํางานเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์นี่งานนี้เป็นงานที่ประเสริฐประเสริฐมากๆเลยนะเพราะนั้นพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยต้องพูดเรื่องอัลลอฮ์เยอะๆแม่บางคนลูกถามอัลลอฮ์อยู่ไหนมึงอย่ามาถามกูนี่มึงเชื่อกูไปแล้วกัน รุ่นก่อนี่ยพอไหวรุ่นใหม่นี่ไม่ได้นะเด็กมันฉลาดขึ้นนะมันถามมะมะอลัลลอฮ์อยู่ไหน ท, ไทําไงท่านั้นแม่ก็ต้องฟังศาสนาต้องอ่านหนังสือศาสนาด้วยนะอลัลลอฮ์อยู่บนบอลลังของอลัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้านู่นน่นเลยชั้นเจ็ดไปอีกอะ่ะจินตนาการไม่ถูกแล้วนะต่อมาครับข้อที่สี่ยาดั้งอิลัตเตาะฮิดฟีมะฮดีฮิวกูฮูลัดฮิ ดบเอิซาเนี่ยเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยตั้งแต่นอนอยู่ในปเปร์อัลลอฮ์พูดได้ัในตัเล็กๆนี่ยมีคนอยู่สามคนในโลกนี้ที่พูดขณะที่นอนอยู่ในเปร์เอาเอ า, เอาคนนี้ก่อนดบเอีซาเนี่ยแค่มาเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวจะรู้เองว่าเดี๋ยวอายา ต, ต่อไปก็จะอธิบายว่านบเอีซาพูดว่ายังไงเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์ยังไงตัวลมาคําว่า ราะมาตำมินนะเป็นความเมตตาของ Allah, อ, อัลลอ์เนี่ยอัลลอฮ์มัตัปซิดอธิบายไว้สรายการด้วยกันหนึ่งอะไรนะเป็นเด็กผู้ชายเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ข้อที่สองเป็นนบีคนหนึ่งจากบรรดานนาบีทั้งหลายถึง25ท่านที่มีชื่อที่ไม่มีเป็นแสนข้อที่สามญาอิงอิลาอิบาดะตินละเชิญชวนคนให้ไปพักดีต่ออัลลอฮ์ข้อที่สี่เนี่ยเชิญชวนคนให้รู้จักว่า ในโลกนี้มีพระเจ้ากี่องค์องเดียวแต่ในตัฟซีดภาษาอุรดูเนี่ยอัลลอฮ์อุรดูนี่เป็ น, เ ป, นเป็นตำหนังตัฟซีดที่ของเราบีต้องอธิบายนะอธิบายอย่างนี้คําว่าคำพีโกุอ่อานเนี่ยนะจะพูดอะไรก็ตามยืนยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีองค์เดียวนะจะพูดอะไรก็ตามยืนยันว่า มนุษย์นี่จะต้องยอมรับว่าพระเจ้ามีองค์เดียวอัลลอ์ทั้งหมดผ่านอัลลอ์ทั้งหมดว่านางมารยามนั้น น, นนะครับมีบุตรโดยไม่ต้องผ่านสามีเพื่อต้องการจะบอกว่าอัลลอ์มีความสามารถอันยิ่งใหญ่แต่ในคำพีในคำพีไบเบิลในคำพี Eye, อินเียเนียมีกลินไอชิริกโอ้พูดคำนี้เจ็บนะ มีกลิ่นไอเชิริกในคำพีไบเบิลอินเจลเนี่ยมีกลิ่นไอเชิริกเขาเชื่อว่าไม่ใช่อัลลอ์ที่ไรนะที่ประทานลูกชื่อนาบีชื่อไอซาจากทองของมารยามนั้นไม่มาจากอัลลอ์มาจากรูวเขาลูกุดุสมาจากยิบรีนมนาลาิกา้ไม่ถึงอัลลอ์นี่ไ อ, อ, อ, อความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ค่ะที่คุณชีริกขว่ามีกิ่นไอชีริกฉะนั้นเวลาอ่านอ่านเรื่องคุรานตน้องเลือกบทั้งหมดนี่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากมาลายกาแต่มาลายกาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งมาให้มาเช่นมาบอกกับนางมารยามเมยที่ท่านจะมีลูกนั้นมันเรื่องง่ายง่าแต่เมื่ออัลลอฮ์สั่งแล้วมันจบง่ายแต่ในคัมภีร์อินยีนเนี่ยอธิบายว่าไงนะไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์มาจากรูฮูลกูดุสมาถึงมาจาก ท่านอะไรยิบรีอะไรกิสลามอันนี้เป็นความอากีดาที่ไม่ถูกต้องนะเอาต่อมาครับต่อมาต่อมาวกาณามรมมักดบียาแปลว่าอะไรครับและนั่นเป็นกิจการที่ได้ถูกกำหนดแล้วอัมรมมักดียานี่มาะอะไรกัมาเล่านะ และนั่นเป็นกิจการที่ได้ถูกกําหนดแล้วถามว่าพูดถึงใครกิจการที่สําเร็จแล้วเนี่ยพูดถึงใครแสดงว่าการสร้างนบีอีซาโดยไม่ต้องมีบิดาการที่อัลลอฮ์สร้างนบีอีซาผ่านแม่โดยไม่มีพ่อเป็นกิจการที่อัลลอฮ์ได้กําหนดมาจากข้างบนแล้วเข้าใจนะ อัลลอฮ์กำหนดมาจากข้างบนแล้วแล้วก็ให้เยบรีสเนี่ยมาแจ้งให้นางมรตยามรู้เท่านั้นเองบอกว่าเธออัลลอฮ์จัดข้างบนเรียบร้อย ห, หมดแล้วมีลูกโดยไม่ต้องพานพ่อมีแต่แม่อย่างเดียวอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮัตตานะท่านมุญาฮิดนักตรัสอธนะิบายอีกนะว่านางมัตยามเนี่ยเล่า นะเล่าให้ฟังเล่าให้ประชาชนฟังนะนะคุณตูอีซาคอเล่าตเมื่อฉันอยู่คนเดียวตอนตั้งครันนบีอีซาเนี่ยตอนอุ้มครันอยู่เนี่นะนาะงเล่าบอกว่าอีซาขอเล่าตเมื่อฉันอยู่คนเดียวเนี่ยฮัดดัสานีอีซาวกัลละมานีวาหัวฟีบัตนีอีซาอยู่ในท้องฉันเนี่ยคุยกับฉันอ <laughs> ัลฮับตูริลาเนี่ย ที่นักทัศกอธิบายนะตอนอยู่ในคันฉันยังยังไม่ได้คลอดออกมาจะอยู่ในคันเนี่ยฉันอุ้มคันไปไหนก็ตามเพราะฉันอยู่คนเดียวนี่นะคุยกับฉันคุยยังไงนางไม่ได้เล่าว่าอิสากุ้นตัมาอันน้สเมื่อฉันอยู่กับประชาชนซับบาฮาฟีบัตตนีวกับบารอน บ, บีอีสาที่อยู่ในท้องเนี่ยยังไม่คลอดด้วยนะ ส, น ส, ส, น ส, สนรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยกล่าวว่าซุบฮานนลออ โลกาวอีประโยคนหนึ่ง Allah, Allah, นะอาาัลลอฮฺอัญญาลลอฮาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัมนอษย์ัลลอฮดอัลลอัลลอฮฺเัลลสฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮสอัเลอฮฺนัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอยฺอัลลอฮฺเัลห้ามอนะ้ลลอฮฺอัลลอฮฺอันลอฮฺอััลลอฮฺอัลลอ เราไม่ควรจะเอาหนังสือพิมพ์ไปนั่งอ่านเพราะพี่โน้องมุสลิมเราที่ว่าคนโมเดิร์นมุสลิมโมเดิร์นเอาหนังสือพิมพ์ไปอ่านไปอ่านในส้วมทำเหมือนยะฮูดีเพราะฝรังเขาสอนเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นในส้วมนี่นะรีบเข้าแล้วก็รีบออกขณะที่นั่งอยู่ในส้วมเนี่ยก่อนเข้าให้เท่าด้วยเข้าด้วยเท้าซ้ายก่อนเข้าให้อ่านดูอา Allahu um ma'inni auzu bi kamil al k u b u s i wal kabais รีบออกแล้วก็อย่าไปนั่งซิ๊กรุลลออยู่ในซุม่มเพราะเป็นสถานที่ทำอะไรของบรรดาของชสยตอนอยู่ช้ยตอนตัวผู้และตัวเมียอยู่ในซุม่มฉะนั้นพอเราออกจากซุวมเนี่ยเราว่าไงนะกุฟรอนะขออภัยโทษต่อ Allah เราทำผิดอะไรอะ อุลมาอธิบายนะเพราะตอนนั่งอยู่ในซ่วมเนี่ยเราไม่ได้รำลึกถึงอ AH, ัลลอสุบฮานะละด้วยวาจาอ่าจากนั้นขอบคุณขอบขอบคุณ AH, อัลลอฮฺไว่าขออภัยโทษ ต, ต่ออัลลอ์ที่นั่งอยู่ในซ่วมตั้งห้านาทีเนี่ยไม่ได้ริเกตถึงอัลลอ์เลยเพราะอัลลอ์ห้ามไงอัลลอฮ์จะอภัยโทษเดัะด้วยแสดงว่าชีวิตของมนุษย์ ต้องโยงกับอัลลอ์ตลอดเวลานีอายานี้ได้ความรู้อัลฮัมดุลิเลาะตกลงว่าวกาณามรอมมากรเบีและนั่นเป็นกิจการที่ได้ถูกกำหนดมาแล้วเป็นถ้อยคำที่ท่านยิบรินนำเอามาเล่าให้นางมารยามฟังแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ยิบรินนำมาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้ให้ใหไรนาะให้นบีมาสอนพวกเราต่อวันนี้ว่า เหตุการณ์ของนางบริยัมและมีไอซาที่อยู่ในท้องนั้นเป็นพระกำหนดของอัลลอฮ์จากข้างบนมาแล้วนะครับนี่อายาที่21ต่อมาอายาที่22ฟาฮามาลัตฮูฟันตะบาดัตบีมะกาเนงกาซียาฟาฮามาลัต ฟันตาปจักษ์บีมากันนังกศิยาคำละติแปลว่าอุ้มคันหรือว่าตั้งคันนางมารยมได้ตั้งคันเขาตั้งคันนดีอีซาทีนี้ถามว่ากี่เดือนบางคนว่าแปดเดือนบางคนว่าเก้าเดือน แต่นตทับเสดอธิบายว่านางมารยามอุ้มคันเก้าเดือนเหมือนคนทั่วทวไปจากทับเสดอสัญญาณ น, นะเก้าเดือนเหมือนคนทั่วทวไปฟาฮามาเลตูนางมารยามได้ตั้งคันนบีอีสาคณะดังนั้นฟันตาบาจัจบิฮีมะกันนางกอซีอาดังน้นนางได้จาก นะครับไปกับขา่าวคือได้อุ้มคันเดินออกไปจากประชาชนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอุ้มคันนางเดินทางไปยังสถานที่มากานานสถานที่ปอริยันสถานที่ไกลแห่งหนึ่งตอนพอรู้ว่าตั้งคันใช่ไหมออกจากประชาชนแยกตัวออกไปไอ้ยแยกตัวออกไปน่มีคำคำมีคาอธิบายเยอะบางคนว่า อายประชาชนพระ อ, อ, อ, อัลลอฮนะคำอธิบายสถานที่ไกลแห่งหนึ่งอยู่ที่ไหนและชื่ออะไรนะมาักานังกอซียาเนี่ยชื่อตำบลในตํซีลนะอธิบายว่าชื่อตำบลนาซิร์ห์นาซิร์์นะอยู่ในประเทศชามนะอยู่ในชื่อตำบลนาซุรในประเทศชาม ในช่วงอุ้มคันนางได้ไปอยู่ที่พวกพวกไหนนะพวกคริสเตียนก็นมีความเชื่อคล้ายๆกันนะนะตอนนางอุ้มคันนบีอีสานี่นะครับนางได้ไปอยู่ที่เบธละหมไบทละหมบ้านเนื้อเบธเบธเบธเลห์มใช่ไหมเบธเลห์มนี่แหละีความเชื่อเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันนะห่างกับ ตำบลนาซิอรอเนี่ยประมาณ71บไมล์ไกลมืนก น, นะอกัาแต่ทกใช้ภาษาอุรุกว่าอะไรนะเจอเจดเจอะไรัวอย่างไม่ใช่เจ็ดไมล์เราจ็ดดบ็ไมล์เอาละนะักอ่านพูดง่ายนะมาการนังกอส์ซียเดินไปยังสถานที่ไกลแห่งหนึ่งนะครับเป็นชื่อตำบลนาซิอรอ่อยู่ในประเทศชาติ อุลมาคริสเตียนยอมรับว่าน บ, บีอีสานเนี่ยค้อที่บาติเลห์เหมนางมารยามนะ่ะอที่เบสเละเหมนะเ บ, บสภาษาแแปลว่าบ้านลาบุญแปลว่าอะไรเนื้ออ่าอัลลาวาล้อสาสรุปฟะฮมาลทชูฟันตาบาัดบิฮิมะกานังกอสียาสิ่งที่ได้จากอาย่านี้ก็มีอยู่สามประเด็นประเด็นที่หนึ่งเมื่ออัลลอ ได้ส่งท่านเยบรีลนอฮิสลามาถึงมลาอิกบมาบอกกับนางว่าโดยแปลงตัวเป็นผู้ชายเข้ามาหาหนางในห้องนางรู้สึกกลัวว่าชายแปลกหน้านี้จะทำไม่ดีไม่งามกับนางนางขอดูอาเลยที่เรียนมาแล้วนะขอว่าไงอินนีอาลุบิร์อั์มานิเมงกะ อิงกุลตาตาปียนี่คนดีเพื่อจะสอนให้รู้ว่าคนดีถ้าเราจะเป็นคนดีเนี่ยเวลามีปัญหาเดือดร้อนหรือกลัวๆเนี่ยนึกถึงใครนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะมาเนี่ยเวลากลัวก็นึกถึงเจ้าที่ก่อน พอมีปัญหานึกถึงเจ้าที่นึกถึงยินเจ้าทีนะ่หมายถึงยินยินจะหัวหน้ายินจะช่วยดูลูกน้องอย่ามารบกวนฉันหน่อยเวลารู้สึกกลัวๆ น, นั่นนะคนไม่มีอากีดาถ้าคนรู้จักอัลลอฮ์นี่นะเวลาเขามีปัญหาเดือดร้อนเขาคิดถึงใครก่อนนะนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนวันนี้นะแม่บ้านหลายคนพ่อบ้านหลายคนรักลูกมากเวลาลูกไม่สบายปับ๊บนึกถึงโรงพยาบาลก่อน จะที่ถูกตัวนึกถึงใครก่อนนถึง Allah, อัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์จะลูกจะไม่สบาย<笑><笑><笑>หเห็นไหมนี่สอนเราหลายๆเรื่องอ่ะเห่นไหมสอนอาตีดาเราจะนั่นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดขอถวาตออัลลอฮ์ก่อนนมาฎก่อนสองเราก็อาจละหมาดขอถอาตออัลลอฮ์อย่ารอให้หาก็เอารักษาแบบที่นบีสอนก่อนเนี่ยเป่าไปที่มืออ่านสามขุนแล้วก็ลูกอย่างลูกร้อนตอนกลางคืนน่ยทําไงอ่ะ ลูกคนแรกด้วยอัลลอฮ์รักหน้าดูเลยพอลูกร้องทํำไรไม่ถูกนึกถึงโงพยาบาลอย่างเดียวเลยอนั้นนึกถึงอัลลอฮ์โดยการอ่านสามกุญก่อนแล้วก็ลูกไปที่ตัวลูกอินชาลอับังคนลมัต้องไปหาหมอก็ได้นะครับเพราะว่าชัยตอนยินมันแกล้งทีนี้เมื่อนางอ่านดวงนะครับพออ่านจบนี่นะนางมาทราบภายหลังว่า ผู้ชายที่แปลกหนะ้าปลอมตัวมาเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นมาลาอิกานางก็เลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์สบายใจไปใช่ไหมยิบริลลงมาทำไมมาบอกว่าจะมีบุตรว่าเป็นความต้องการของอัลลอฮ์อินน่าฮาอิสตัสลามัดบิกอรออิลลาตับเสดอธิบายดีทับอธิบายว่านางนี่นะพอใจยอมรับคำตัดสินของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาอัลาอ้าวทองก็ทอง ไม่มีสามีก็ไม่มีปัญหาเพราะเป็นความพึงพอใจของอัลลอ์ข้อที่สองอลมอมาซลัฟอลลมาในยุคแรกๆมีความเห็นว่ามาลาอิกะที่มานั่นคือท่านยิบรีนอะลัยฮิสลามตอนมาทำให้นางจะท้องทำไงรู้ไหมมาเป่าที่แขนเสือ้อแบบนี้ทุกป่าไม่รู้นะมาเป่าที่แขนเสื้อข้องนางก็ เ, เป่าปั๊บ ก็ก็ต่อๆมารูผ่นรู้สึกเออมีมีทองแล้วอ๋อก็เก้าเดือนนี่แหละธรรมดาก็เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้อัลลอฮอักุบัตีขอบคุณอัลลอฮแล้วนางก็พอรู้สึกว่าจะตั้งครรเนี่ยนางเนี่ยสับสนครัวอธิบายวังไงนะวอลัมตะดิมาดาตะกูลุลินนาสชั้นนี่นะจะพูดกับประชาชนว่ายังไงนี่ทองอะ จะพูดกับคนว่ายังไงนั่งสับสนนะฟะอินนะฮะตาแหลมนางรู้ดีว่าอันนันนาสลาตุสดีกูนะฮะฟีมาตุกบีรูหุมบียังไงยังไงประชาชนก็ไม่เชื่อโอ้โหจะเปลี่ยนความรู้สึก ข, ของคนนี่มันจะธรรมดานะเห็นยังนางมารยามยังเครียดเลยเห็นยังนี่ไงถึงก็รอดได้อาลลอฮฺเมตตาเนี่ยนะ นึกถึงยายยาว่างไงนะอัลลอฮ์รักษาน บ, บียายาสามที่ใช่ไหมเยาวมาวูลีดาวันเกิดวเยาวมายามูตุวันตายวายาวมายูบาอสุไยาวันที่ให้ฟื้นขึ้นมาจากกูโบโ ม, มีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งสามวันนี้ถ้าไม่มีศาสนาคุ้มครองนะเหงาสุดๆ ล, ล, ลองลองลองลองลองตายดูสิ เหงาสุดๆโลแอบก็ว่าเห็นนั้นเนี่ยอัลลอฮ์คุ้มครองนะวันเกิดเนี่ยอัลลอฮ์มีแม่มาให้นมกินมีโต๊ะมีแช่นั่งกันรองไปไม่เห็นอะ่ะลองตายนี่ไอ้าตายอย่าเล่าไม่ได้เพวกคนตายไม่มีใครฟื้นมาสักคนนี่แต่อัลลอฮ์เล่านะอะเอาฮัชเหงาสุดๆแต่ถ้าไม่มีอี إ ي ่านไม่มีาศาสนาไปโอ้โหทรมานสุดๆนะแล้ววันที่ฟื้นขึ้นมาในวันเตย ม, มากก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีศาสนาจำกับชีวิตนะเงาสุดๆอขอเล่านิดหนึ่งระหว่างที่เดินอยู่ในทุ่งมัชัดเนี่ยนะมีคนถามท่านนาบีว่ายารุสุลล์ น, ลนบีจะจำอุมมาของนบีได้ยังไงนบีบออง่ายมากมีอยู่ห้าเรื่องฉันจะจำอุมมาของฉันว่า น, นี่เป็นพวกฉันนะ่ะทั้งๆที่อยู่ในกลุ่มคนทั้งโลกเนี่ยไม่รู้ว่ากี่แสนกี่หมือนกี่พันม้าล้านนะ่ะ ฉันจําพวกฉันได้มีร่องรอยอยู่ห้ารายการข้อที่หนึ่งมีเด่นขาวที่หน้าภากรอยอาบน้ํา น, ำนำมารอ่าพี่น้องที่ไม่เป็นมุสลิมนะี่ยหมดสิทธนะหรือเป็นมุสลิมไม่ได้นมัสการก็หมดสิทธไอปีละสองครั้งก็หมดสิทธวันอินก็อินเล็กกัอินใหญ่นะข่าวแค่สองวันพอธรรมะของเคสเนะี่ยให้นันนมาสการการแจ้งไม่เข้าโซราด้วยอ่าเรื่องที่สอง ที่เท้านะมีสีขาวท้ไมจะจำไม่ได้สีขาวโอ้นันพวกฉันเรียกมาเรียกมาอันที่สามยื่นสมุดบัญชีให้ด้วยมือขวาโอ้โหนบีนี่พวกฉันพวกฉันอันที่สีที่หน้าภากมีรอยสยูดถึงจะไม่มีรอยดำๆก็ไม่มีปัญหาใช่ไมอย่าไปถ่ายที่มีรอยเจ็บเปล่านะรอยสยูดเนี่ย อลโลค่ะนาจะรอยอาบน้ำละมาแล้วร้อยสูญยูดอีกสองรอนี่สว่างไหมแล้วก็ข้อที่5้าก็คือรัศมีแห่งอีมานเนี่ยจะเดินนำหน้าคนที่มุมินรรัศมีอีมา น, น่ะเป็นสว่างนะแสงสว่างที่อยู่ด้านหน้าและด้านขวาแล้วก็จะพูดว่างี้รบบาอัลานนรออลลอฮ รัศมีอิมานเนี่ยอย่าให้หายไปไหนนะให้อยู่ให้ครบกับฉันเนี่ยตลอดไปทําไมที่พูดอย่างนี้เพราะคนมมนาฟิกมมนาฟิกกับคุณเป็นคนแขกนี่แหละแต่ว่าสองหน้าอยู่ท้งโน้นบ้างกาเฟ่บ้างมุสลิมบ้างแล้วก็เอาเรื่องดีๆไปให้คนกาเฟ่รู้ก็เฟ่กับเล่นงานนาบีลเล่นงานคือน้องมุสลิมคนมมนาฟิกเวลาเดินเดิ น, ดนไปรัศมีมันหายกลางทางโดวยมาตรการเนี่ย รัศมีของคนกาเฟตของคนโบนาฟิกหายของมโมมินไม่หายพอเห็นก็กลัวไ่ะรอ บ, บน า, อรน า, นรานาอัตมิมลานานูโรนาโอคาล์ลอจารัศมีอีหมานที่อยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยนะให้อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะอยากให้หายไปไหนพอหายแล้วมันเดินก้าวไม่ออกมันมืดเห็นไหมตัวลงมันมีอยู่กี่กี่กกี่กีรายการนะห้ารายการที่อลร้อยที่นบีมุฮัมมัดจะจำว่า คนนี้แหละเป็นอุล ม, มะของนบีมุฮัมมัดที่ได้รูปมากก็มีสองหน้าผากสีขาแล้วก็เท้าในเตาะซีอุปทัยอธิบายต่อมีอยู่ห้าไม่ใช่สามพยามดุริแลได้ความรู้เพิ่มเลยวันนี้ก็พยายามดูริแลแฉะนั้นนามาจียาคารนำนามาจดเก็บมาไว้นะครับแล้วก็ทําความดีอิชอรออัลลอฮ์ให้ครับมือขวาแล้วก็มีรัศมีที่ไหนอลัลลอฮ์อีมานรัศมีเดินนําหน้าเรา ด้านขวามือด้วยด้านข้างหน้าเราด้วยคนมุนาฟิกเดินเดินพระธศมีหายพระบูว่าเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยว่าเดินก้าวไม่ได้ทระมีหายไม่มีขอหน่อยก็เออรอรอรรอข้างหลังเดี๋ยวมาเองนั House ่นคนมุนาฟิกฉะนั <S <S ้นอัตมิลลานาโนรนาวัคซิลลานาอะลอจ่าอภัยโทษในความผิดตรงสารด้วยนะครับเอาต่อมาครับข้อที่สนางไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้ ตอนท้องเนี่ยนะนางเล่าให้ญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของนบีสกริยาอะเลกิสซามนบีักริยาเนี่ยขอดูอานะอยากจะได้บุตรอัลลอฮ์รับส่วนานางมรารยามเนี่ยไม่ได้ขออัลลอฮ์ให้เดี๋ยวไม่ได้ขอขอบคุณอัลลอฮ์นะทีนี้เมื่อนางมรารยามเนี่ยเข้าไปเยี่ยมภรรยาของนบีซึ่งเป็นพี่น้องกันญาติญากันนาง ภรรยานับีุลซากริยาพูดแปลว่าอาชาอัตุมารยัมอินนีเขาแปลฉันรู้สึกว่าฉันนี่จะท้องนะแล้วก็นางมารยัมก็พูด ว, าลาลดว่าฮันอาลิมตูไอดอนอินนีเขาแปลฉันรู้สึกตัวเพราฉันเนี่ยทองเหมือนกันตัวลงว่านางมารยัมกับภรรยานับีุลซากริยาเนี่ยทองพร้อมๆกันขเข้าใจนะทองพร้อมๆกัน ฟัลมัชฮู ร, ร์ฟัลมัชฮูร์อันนี้จุมฮูร์พวกอล์มจุมฮูรทั้งหมดมีความเห็นว่านางบริยามเนี่ยท้องใช้เวลา9เดือนเหมือนคนธรรมดาอาวต่อมาอายาที่2ี่สิ า, นน า, าม فأ جاء أهل م خاضو ل ى جذع النخلة قالت يلا تني าาก่อล้วเหรว่าคุณตุนัสย์ยมันศิยะฝ่อาจาร อ, อัลมคอร์อัลมคอร์แปลว่าความเจ็บปวดตอนใกล้จะคลอดต้องถามภรรยาว่าเจ็บขนาดไหนที่โรงพยาบาลนี่ยผู้หญิง ดาสามีตอนจะคลอดทูนั่นไม่มีศาสนานะดาสามีกูไม่เอาเลว <c oughs> เจ็บจริงๆทรมานตอนคลอดตอนตอนคลอดจะจะกล้คลอดเลยมันเจ็บมากเลยเนยฉันไม่เอาแลว้วกูไม่เอาแลว้วกไม่เอาแลว้ว <c oughs> อย่าริืมนะมุสลิม ท, ทั้งหมดเนี่ยความเจ็บไข้ใดป่วยอัลลอฮ์ลดโทษสำหรับมุสลิมานนะ พระยาที่มีอ ي มานต่ออัลลอ์ที่อ่านกุรานที่นมาที่ถือศีลอดเนี่ยอัลลอ์ลดโทษหมดและโทษของผู้หญิงส่วนใหญ่มีอะไรอ่ะบ่นใครบ่นใครบ่นสามีกันนั้นอย่าบ่นอย่าบ่นอย่าบ่นนะครับเอาละอย่าพูดเยอะฟาเจฮัลมาคอดความเจ็บปวดกล้าจะคลอด ได้นำนางไปที่อีลจีไรนัคละไปที่โคนต้นอินทรพาลัมทำโดยแล้วนี่อัลลอฮ์เล่านะธรรมดานี่มันต้องพาไปโรงพยาบาลใช่หรือไม่ใช่สมิติเวสนะ่ะแสนกว่าถ้าโรงพยาบาลเถวนี้ก็ถ้าบาทสามสิบกว่าคนยังชั่วหน่อย ้าธรรมดาไมแพ็กเกจเนี 30, 50, ่ยสามมื่นห้ามื่นจะมคลอดลูกทีหนึง่งแต่นี่ความเจ็บปวดกล้าจะคลอดได้นำนางไปที่โคนต้นอินทผลัมไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอจำแย่ไม่มีหมอผดุงครรภ์ไม่มีหมอทาคลอดคลอดคนเดียวสงสารขนาดไหนนี่นึกถึงผู้หญิงนะโอ้โหอาคบัรทรมานเอาแล้วนี่เอ า, ล, นะ า, อา ล, เล้อเล่าในคัรอลกุรอานเว่า น, นางเนี่ยนา ตัวเองเนี่ยไปที่นี่เป็นวาฮีชังหมดจัะอรนั่นแหละนะไปที่ไหนไปที่โคนต้นอินทรพลามเพื่อไปพักคลอดนะนะกอละปวดทรมานเจ็บนางพูดเลยพูดว่าไงยาลายตานิมิตตุเนื่องจากความเจ็บปวดนางบนว่ามานพูดว่า ยาไลตานี ani, โอถ้าฉันตายเสียแต่ก่อนนี้ก็จะดีอ๋อเห็นยังยาัยตานีมิตุกับละฮาาถ้าฉันได้ตายเสียแต่ก่อนนี้ก็จะดีนี่เ้าเรียกว่าบ่นใช่ไหมนี่ถ้าเขาเรียกว่าบน่นละตายซะก็ดีพอมาถึงตรงนี้โอลามารับอธิบายต่อให้พวกเราฟัง การบ่นว่าอยากจะตายเนี่ยน บ, บีห้ามนะห้ามไม่ให้บ่นว่าฉันจะตายเมื่อถูกมุสีบ้านเล็กๆใน้นอยถูกนู่นถูกนี้ถูกรังแกถูกทรมานฉันอยากจะตายนะในเรื่องของดุลยาเนี่ยไม่ให้ทําแต่ในแง่งของศาสนาเนี่ยให้บ่นได้ว่าฉันอยากจะตายน บ, บีมุฮัมมัดสอนนะถ้าบ่นว่าอยากจะตายให้ว่าดูอาบทนี้ อัลล Allahumma ittawwafni إذا كانت ا ยาตุ ة ت خ ยร ا ل ลีโอ้อัลลอฮให้ฉันตายเถอะถ้าหาว่าความตายนั้นมันดีแก่ฉันอนุญาตให้บ่นได้แต่ต้องบนอย่างนี้นะม่ใช่บน่นกูอยากจะตายจังเลยกูทำค้าเหลือเกินไม่เอา้าให้พูด เป็น دعاء ด้วยนะอัลลอฮุมมะตาวฟานีอิดะกะนาติลวฟ่าทุเคยรันลีโออัลลอฮ์ให้ฉันตายเถอะแต่หากว่าความตายนั้นมันดีกว่าฉันถ้าอยู่แล้วมันทําบาปน่ะตายเลยประอ่านอีกว่าอ้ายยีนี่ให้ฉันมีชีวิตอยู่อิดะกะนาติลหายาทุเคยรันลีแตหากการมีชีวิตอยู่นั้นมันดีสําหรับฉันคือ มีชีวิตอยู่เพื่อทำอิบาดามีโอกาสได้อ่านคุรอ่านมีโอกาสได้เตาบ้าตัวมีโอกาสได้ทำความดีมีโอกาสได้ถือสิ้นอดมิวอานได้นามาตแต่ทำนู่นทำนี่ของดีๆเขาขอให้มีชีวิตอยู่ห้ามฆ่าตัวตายบนได้แต่ห้ามฆ่าตัวตายนะแต่บนต้องบนอย่างนี้นะบนตามที่นบีสอนอัลลอฮุมอะตะวัฟรานีโออัลลอ์จ๋าให้ฉันตายเถิดอิากาติลวฟาทุคอยรลี ถ้าการตายนั้นมันดีสำหรับฉันที น, นี้กอลาชยาไลตานีมิตุกอบลหา น, นางบนว่าไงนะถ้าฉันได้ตายเสียจากก่อนนี้ก็จะดีวากุนตุนสัสยามัสียาและถูกลืมนาสยานัสยันบวบลืมและถูกลืมสนิท ก็จะดีคือไม่มีไม่ต้องมีใครมาพูดถึงนางมริยมเลยนะ่ดีกว่าพออยู่แล้วตอนจะคลอดนี่ทรมานสุดๆเหลือเกินแล้วก็คลอดคนเดียวไม่ใต้ไม่ใช่โรงพยาบาลแต่ที่โคนต้นอินทภลาลัมอัลลอัลอตร์บัแต่นี่อธิบายต่อต้นอินทพลาลัมเนี่ยเพิ่งมีหรือมีมานาแล้วถ้าเพิ่งมีเป็นมุออิจาザถ้ามีมานาแล้ว ก็ทำมด้เอา้าต้นอินทรพราหมนีนัททิตอธิบายว่าอันนั้นนั่ละกานัมาจูดาก็บลม็มายิมารยมอะไรอ่ะต้นเดิมๆที่มีอยู่แล้วไม่ใช่มีขึ้นใหม่ถ้ามีขึ้นใหม่กลายเป็นมุจจาที่อัลลอฮฺจะให้เฉพาะต้นเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้บนทําไมอคําอธิบายบนก็คือ อิสติฮยามินานนัสในตัฟซิดอัลฮัสันุล บ, บายานพูดว่าเพราะอายคนหนึ่งเจ็บสองอายด้วยถ้าคลอดลูกออกมาเนี่ยเอฉันจะไปหาคนยังไงล้วจะตอบอยังไงใช่หไหมนี่แหละความอายอ่านหนึ่งเลยพูดว่าถ้าฉันตายซะก็ดีหรือไม่ก็ฉันไม่มีเลยคนไม่ต้องรู้จักฉัน คนรู้จักนางมาริยัเพร่อนามาต์เก่งนะคนรู้จักนางมาริยัเพราะนางเป็นซาฮิดาเป็นนักอะไรนะสมระนะครับเอาแต่ของดีๆดีๆเลือกคําของดีๆคนรู้จักนางในแบบนี้แต่วันนี้แต่หากมีลูกแล้วคนจะรู้จักอีแบบ อ, อีแบบไหนใช่ไหมโอ้สหผู้หญิงคนนี้เลวจังเลยใช่ไหมไปอยู่กันไหนมาเนี่ยหายหน้าแผลบดีได้ลูกมาคนหนึ่งวิจารณ์การและตำหนิการกลัวตรงนี้ อาทีนี้นี่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์เห็นยังทดสอบจากอัลลอฮ์เราต้องรับให้ได้เะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะจนสุดๆแต่ไม่ทิ้งศาสนาบางคนรวยสุดๆแต่ไม่ไม่ลืมสากากเพราะฉะนั้นเมื่อการทดสอบจากอัลลอฮ์มาเนี่ยต้องน้อมรับด้วยความเต็มใจโอ้เลยทำอยู่ดีเลยทําไมต้องมีนบีอิสามาพ อ, อย่าลืมนะในอุมมะของนบีมุฮัมมัดมาเนี่ย ทุกๆรอยปีอัลลอฮจะส่งมุยัต ด, ดิษมาปัดฝุ่นกันใหม่อัลลอฮส่งนบีอิสาเพื่อเพื่อเป็นนบีนะในยุคของนบีมูฮัมหมัดนี่นะกว่าจะถึงวันเกียร ม, นะมาเนี่ยมัใช่ปีสองปีนะาอาทิตย์สองอาทิตย์นะอัลลอฮต้องการจะรักษาอิสลามให้อยู่บนโลกใบนี้ทุกๆรอยปีจะมีอัลละห์มาที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางานศาสนาปกป้องศาสนา เป็นต้องทราบไหมขลิฟะขลิฟะเนี่ยคือนบีทํานายเอาไว้นะหลังจากนาบีมุฮัมมัดเสียชีวิตการปกครองโลกนี้ตกครองแบบคอลิฟะระบบคอลิฟะก็จะหมดแล้วก็จะมีปกครองแบบกษัตริย์ต่อมากษัตริย์ก็จะหมดแล้วก็จะมีคอลิฟะมานี่เป็นคําทํานายของนบีมุฮัมมัด พอมีคาลิฟ้าครั้งที่สองนี่นะวันเกีย ม, มากกวจะมาแล้วถึงแล้วทีนี้คนที่ทําลายระบบคาลิฟ้าเนะ่ยใครรู้มาพี่น้องตุรกีเรานี่แหละอ่าพี่น้องตุรกีเราเนี่ยทําลายนะครับขจัดระบบคาลิฟ้าอุสมานอั ต, ตเตอร์พอถ้าทาลายแล้วอีกสิบปีนี่จะครบร้อยปี ที่ฝรักลัวนะกลัวตรงนี้เดี๋ยวระบบคอลิฟ้าก็จะตามมาอีกนี่ไงที่กลัวนะกลัวตรงนี้ท่านต้องให้มุสลิมทะเลาะกันเยอะที่สุดทะเลาะกันทะเลาะทะเลาะทะเลาะประเทศข้างๆกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกัน อ, กอะไรกันใช่ไหมที่กลัวนะกลัวอะไรกลัวคอลิฟ้าจะมาถ้าคอลิฟ้ามาครั้งนี้นะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความดี ก็คนก็จ้องมองอยู่ว่าประเทศที่จะพูดเรื่องคอร์รัปชก็มีอยู่ประเทศเดียววันนี้ที่กล้าพูดนะนี่แหละตุรกีเนี่ยประเทศอื่นไม่กล้าเพราะกลัวยโฮดีใช่ไหมชาติสัจสายิสลามมือสั่นเลยไม่กล้าพูดกลัวไปหมดเพราะนั่นเอลลาลอดจะส่งผู้นํานะอัลลมั่นที่มีความรู้ดีอะไรดีอักษรดีนิสัยดีมาพัฒนาอะไรนะจุดดัดดิบมาปัดฝุ่นใหม่นะครับในผู้รับการเมือง ชักชักชกไม่ดีแล้วเอ า, เ, อ า, เ, อ า, เ, าเปลี่ยนเป น, เปนอิสลามการเมืองขอคู่กันไหมคู่กันอ้อาวต่อมาครับนางพูดว่าไงนะถูกลืมเสียก็ดีคนไม่ต้องรู้จักฉันเลยดีไหมดีหรือไม่ก็ตายไปก่อนก็ดีบนตอนไหนตอนที่ท้องแล้วก็กลัวด้วยเจ็บด้วยแล้วก็อายคนด้วยฉะนั้นอุลมะชีว์บอกว่าไงนะถ้าเรา มีปัญหาเดือร้อนมีมุซีบะให้บนได้แต่ต้องบนด้วยดุอาอัลลอฮุมะอินอัลลอฮุมะตาวัฟานีอิดากานัิลวฟาตุคอยรอนลีวะอหยินีอิดากานัิลฮยาตุคอยรอนลีเคยว่ากันยัง <c oughs> อ่ะก็ไม่เป็นไรถ้ายแล้วไม่ีปัญหาก็อยู่ไปนะครับอต่อมาครับเขาบอกว่าฮัดิษนี้นะ เรื่องนี้เนี่ยสอนว่างไงนะนบีเนี่ยห้ามบน่นว่าอยากจะตายห้ามบน่นแต่ให้ขอุดูอาได้แต่ว่าฟานีมุสลิมันให้พูดอย่างนี้โอ้ล l l a h ให้ฉันตายขณะที่ฉันเป็นมุสลิมว่าอัลฮินบิสลีฮีนตายแล้วเนี่ยให้ไปพบกับคนที่ซอละตายแล้วต้องอยู่กับคนซอละซอละหมด แต่ไมีอยู่ฮะ ด, ดิษหนังสอนดีนะเขาว่ามีพ่ออยู่คนหนึ่งตอนตายเนี่ยความดีน้อยความชั่วยุคนตายเนี่ยรู้ฉันเนี่ยไปนรกแน่ๆแต่พอไปในวันเกียร์มากเนี่ยปรากฏว่างงเอา้าความดีนี่ลิสต์ความดีเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ถามว่ายาอาลัลลอฮ์ความดีของฉันนี่มาจากไหนฉันไม่ได้ทํอาอัลลอฮ์ก็บอกว่าก็ลูกชายคุณน่ เห็นยังลูกชายช่วยได้นะลูกชายที่ขอทุอาตอัลลอฮฺเราบิฟิน ล, ลีวาลีวาลีได้อะวาละฮัมฮูมากะมรบบาราเบียนีสอริราแล้วก็ทําความดีผลละบนถึงพ่อถึงแม่ที่นอนอยู่ในกุโบเห็นยังเนี่ยอิสลามเป็นศาสนาเดียวนะที่อัลลอฮฺเปิดช่องเอาไว้อะไรบ้างที่ทำํำสตกรยาริยะทําเถอะทำํำเยอะ แล้วก็นำมาจาคารทาบุญบริจาคเยอะๆลูกทำมะนอนอยู่ในกูโบได้ด้วยทำตัวนี้เลยอายะห์ีฮสิบสนะครับฟานาดาฮ์มินต์ต์ทีฮะอัลลอ์ัซันีกาดะจั่งละรับบุกิตัพต์กิซาริยาอัลลอฮ์อัลบาอัลลอฮเล่าหมดเลยดีมากเลยครับ24สิบสนะ ฟานาดาห์มินต์ติฮทฟานาดาห์เขาได้เรียกนางคนที่เรียกนางนะใครมาลาอิกะอาอัลละห์บอกว่จิบรีนามาลาอิกาลงมาแล้วมาหานางมารยัำเรามาเรียกนาง เรียกที่ไหนฟานาด า, ามินตาฮิฮาทางเบื้องล่างของนางข้างล่างเนี่ยที่เจต่าๆลงไปเนี่ยเรียกนางเรียวกว่ามาริยมใช่ไหมอัลลอฮฺเรียกชื่อนางเนี่ยถ้าก็มาปลอบใจแล้วใช่ไหมพอนางเจ็บนางอายอัลลอฮฺรู้หมดว่าไงอัลลอฮฺตาฮจานีจงอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลย อ๋อคนกำลังเจ็บและออกคลอดลูกโดยไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอจำแย่คนเดียว่ะหนักหรือเบาหนักมากใช่ไหมมาลายิกามาเลยมาเรียกนางลาตาฮจานี ah ani, อย่าเสียใจเลยหายไหมอ๋อเ้ารู้ว่าเป็นมาลายิกาอ๋อส่งมาเนี่ยหายครับอัลลาตาฮนีอย่าเศร้าโศเสียใจไปเลย ก็จะยาดารอบบุกิตัพตะกิสริยาแน่นอนพระผู้อภิบาลของเธอเห็นไหมพระผู้อภิบาลของนางของเธอดิมลัยกล้ามาพูดนะไม่ใช่ของฉันนะของเธอผู้อภิบาลของเธอเป็นยังไงได้ทรงจัดจัดอะไรสริยาลำทานน้อยๆลำทานเล็ก บ่อน้ําเล็กๆลาทานเล็กๆคงมาเจ็ดแบบของเคสนี่เราขงเคสนี่ยน้าดำใช่ไหมลําคันลําทานเล็กๆน้ําสะอาดที่ไหนตะตะกี้ไว้เบื้องล่างของนางอัลลอฮ์ใต้ใต้าใต้นางนี่นะมีอะไรนะมีบ่อน้ําเล็กๆที่อัลลอฮ์จัดเอาไว้ให้นาำอ้าวหลังจากคลอดบุตรน่ะทำอะไรก็ต้องอาบน้ำใช่ไหมนะ นี่ครอัลลอ์จัดให้แล้วทดยลอักบรขอบคุณอัลลอฮอาทีนี้ให้รู้ว่าเบื้องล่างของนางมีทานน้ำไหลอยู่เพื่อชำระร่างกายและดับความกระหายอัลลอ์จะคอดคอดลูกมันทรมานนะหนึ่งหิวด้วยอะไรด้วยสารพัดเลยมีน้ำด้วยมีอาหารด้วยอยู่ข้างล่างเสร็จท่านอิบนอับบาสอธิบายว่า คนที่มาพูดคือท่านยิบรีนนะครับคำว่ามินตัติฮาทางเบื้องล่างหมายถึงอฟัฟฟาลวาดีอฟัฟฟลลวาดีอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ที่อยู่ข้างๆนางนางมารยมนี่แหละนะครับท่านอิบนาอับบาสอธิบายบอกว่ามาเรียกอโลแค่เรียกก็หายแล้ว แล้วมาพูดแบบนั้นนะลาตาฮะนีย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยน้ำอยู่ข้างล่างนะเป็นฐานน้ำเล็กๆอยู่ข้างล่างดื่มได้เลยนะแล้วก็ไปบอกว่าย่าเศร้านะครับทีนี้คําว่าซารียาเนี่ยเขาเรียกว่าอันนารุสโซเร่ฐานน้ำเล็กๆเต็มที่อธิบายดีละเอียดนะซารียาเนี่ยแปลว่าฐานน้ำเล็กๆนะไม่ใช่คองเคตนี่ไม่ใช่นะอืทีนี้ท่าน อัมรุปเนื้ไมมูนพูดว่านาฮรุนตัชรบุบีมินหูอิปนุกซิรมีแม่น้ำเล็กๆทานเล็กๆซึ่งนางสามารถเอาน้ำนั้นมาดื่มได้เลยนี่เป็นคำสั่งนี่นะออ น, นี้เป็นมวจิจัตอ่าเป็นมวจิจาตเกิดขึ้นโดยฉับพลันเมื่อก่อนนี้ตรงนี้ไม่มีบอ่อน้ำแต่อัลลอฮ์ให้เกิดมาเพื่อเป็นมวจิจาตให้กับนางมารยม อ, า, อาที่สหสุดท้ายวฮุอิกีบจนัคละอัลลอฮ์อันนี้อัลล อ, นนอนน์สั่งสั่งนางมารยำ ม, มาอยู่ที่ต้นอินทรพลามให้ทำไงจงขยาวฮุษย์จงขยา ว, ยาวอิไลกีต้นอินพลามเนี่ยให้มโนมาทางตัวของนางหมายถึง ขยะวแล้วก็โน้มต้นอินพลามมาโน้มไว้หระต้นอินพลามเนมันใหญ่ทําไม่ไหวแต่อลัลลอฮ์สั่งอ่ะก็ทําอลัลลอฮ์เพียงจะจับปับ๊บนั่นก็ใช้ได้แล้วนะอลัลลอฮ์สั่งนางจ้านางมัตยาเอ๋ยจงขยะวต้นอินพรามให้น้มมาทางตัวนางตูซ่าปิดจะทําให้ ลนสักก็ต้อไปวันหลนหรือร่วงนะอะไรร่วงครับอะไรที่บนานางรตบันอินดพาลามสดยานียันอะไรนะเอ่อทั้งสดแล้วก็สุกด้วย อ, อยามีสองอย่างนะทั้งสดแล้วก็สุกยานียผลไม้ที่สุกใหม่ๆรสตอปผลไม้สดสดด้วยสุกด้วย สองสองอะไรการอาจจะลงมาสักสี่เม็ดห้าเม็ดสิบเม็ดใช่ไหมสิบเม็ดนั่นสุกอีกสิบเม็ดนั่นสดน่าลงมาเธอเขาทานเอสิอายาต่อไปบอกฟักูลีวัชรบีจงกินอินทรพาลัมนั่นแหละแล้วก็น้ำอยู่ข้างล่างนดื่มได้เลยจากอายานี้อุลมะอธิบายดีนะคงว่าฮุซีเนี่ยฮุซีเปรวาขายาวนี่นะต้องการจะอธิบายบอกว่า การแสวงหาฤสกีตักซีลุลฤาษีการแสวงหาฤากีเป็นเครื่องยังชีพต้องออกแรงต้องออกแรงอัลลอฮ์นี่ไงุณอาสอนเราใช่ไหมพูดเรื่องนางวรยามให้ให้ขายาวต้นไม้อัลลอฮมาตีมาสอนเราอุลลอฮตัมซีดนะแค่นั้นการแสวงหารฤสกีของอัลลอฮ์ไม่ใช่ ชันตะวักันต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะขอท่านหน่อยต้องแสวงหาเขาจะอัสซ า, าอยู่ต้องลงทุนต้องออกแรงไม่ใช่หมายความว่าตะวะกันนั่งเฉยเฉยอัลลอฮฺจะขอข้าวจานหนึ่งคุณต้องเดินไปในครัวนะต้องไปคดเองต้องไปทอดไข่ก่อนนั่งเฉยเฉยมาไหมไม่มานง่ายริสกีของอัลลอฮฺอัลลอฮฺกำหนดนะต้องแสวงหา ตออธิบายดีอิศตดั ล, ละบุนนสมินฮฮิลอายะอลออริกวอิกาม์ตูมันริกีของอัลลอ์นี่นะถึงแม้ว่าถูกกำหนดแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยนะฟะอินนัลลอฮกอดวุกิลาอิบูอาดามบิลาซะอิมมาฟีฮทั้ทงทั้งที่ถูกกำหนดแล้วนะแต่อัลลอ์ให ต้องขยันต้องลงแรงต้องออกแรงต้องลงทุนด้วยถึงจะได้กำหนดแล้วคนเนี้ยไม่ใช่นั่งเฉยๆนะให้ออกแรงเหมือนไรเหมือนอัลลอ์สั่งนางมารยาเขย่าวต้นอินทราลามก็เข ย, ย่าวยังไงเพียงจะเอามือจับดูก ร, รู้อยูแล้วอัลลอ์จัดจะให้ร่วงอยู่แล้วไงใช่ไมนี่เป็นความเมตตาของอัลลอ์สุภาพอนุวาตแล้วอ้ามีหมออ่าหมอก็อธิบายบอกว่า ผู้หญิงที่คลอดออกมาเนี่ยนะท่านอัมรุปนีไมมู่นมามินชัยอินค่อยรุนลินนุสนุฟราสะมินาตามัตตัมเรวารุตบผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วเลือดออกเยอะๆวิธีที่จะรักษาไม่มีเมนูอาหารใดดีกว่าเมนูนี้อินทพลามสดกับอินทพลามแห้งถ้าไม่มีสดก็แห้งให้ผู้หญิงจิ้มอ๋อจเป็นเมนูใหม่นะ แฟนอยู่โรงพยาบาล น, นอกจะกินยาก็ว่าไปาจะอินทรพลัมอย่างน้อยให้รู้ตามคัตุอันนี่นาำใช่ไหมที่นางมารยามมมต่อกากินอะไรอินทรพลามกับน้ำนี่แต่ความรู้ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวพี่มาภรยาถามว่าอินทรพลัมมาทำอะไรฉันพุกในกัรุอนลสุรอนไหนสุรอมารยามอายาที่เท่าย่สิ้อัลฮัมดุลิล ล, มมาาาาาล า, มม า, า, า, าห์รู้ตอบใช่หไหมอย่างดีคุต้น นี่ไงความรู้จากกูอ่านเช<อ>่นนั้นอาเช่นั้นบ้านมุสลิมวันนี้ควรจะมีสามรายการหนึ่งอินทผาลามเจ็บเอาไว้แห่งบางสดบ้าง ก, ก็ไปมีปัญหาสองมีน้ํำผึ้งเพราะนบีชอบน้ําผึ้งใช่ไหมอันที่สามนมอะไรนมแพ้ <c oughs> ทำจนเวลาก็ทานอย่างนี้แหละแข็งแรงอารมณ์อะไรก็ไม่เอาขอบคุณ Allah อ, อ่านกูนอ่านได้ความรู้เย อ, อะอะไรทำจนลวลาทานไม่อิมานเพิ่มหรือลด อ, อ, อิมานเพิ่มกู Subhanaka l l a h u m m a wa bihamdika. a s y i d d i a u l a i l a h a i l l a anta. a s t a g h f i r u k a w a a t u b u i l a i k b i s m i l a m u a l a i k u m Warahmatullahi wabarakatuh.